ท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีสนานาถึงแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็ยังยืนยันที่จะจัดรายการในห่วงเวลาเดิมก็คือตีห้าถึงตีห้าครึ่งทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าวเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังพระสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับสังเวชนียสถาน สถานที่สาคัญสําคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกาศธรรมจากซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดโดยพระอาจารย์ไผ่บูร์อภิปุลโนวัดป่าดอนไหส่กจังหวัดอุดรธา น, นีก็จะได้พูดถึงในเรื่องเดียวกันด้วยนะคะและขณะนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้วค่ะนมัส ก, การคะท่านคะอาจารย์เตณพอค่ ะ, ค ะ, อ, คะอันนี้ก็ไปถึง ทำเมฆาสถูปหรือป่าคะใช่คือสถานที่แสดงธรรมจักรคะ่ะธรรมจักรนี่คือเป็นเป็นการเทศการแรกที่พระ เ, เทศสอเนเหล่าบัรจักว่ากี่ท่าอาจารย์คะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของธรรมที่พระพุทธองค์แสดง อ, อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวคร่าวๆถึงสถานที่ทำเมฆาสถูปที่ท่านอาจารย์เพิ่งไปมาก่อนนะคะโอะ คือหลังจากเอาเริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว<ะ>พอตรัสรู้แล้วเนี่ย<ะ>ก็มีความคิดว่าโอ้โหธรรมะอันนึกซึ้งแบบนี้แม่ใครนาะมันจะมาะมันจะมาเข้าใจได้เห็นไหมธรรมะที่อลึกซึ้งมากเป็นละเอียดยากที่ยากที่เป็นอนูยากที่จะเห็นได้ง่ายเป็นสิ่งที่ยากที่จะยังลงได้ง่ายซึ่งความตรึกคือไม่ใช่ว่าคิดิๆแล้วมันก็จะบรรลุไปได้มันไม่ใช่ พระเจ้าก็<บ>เลยตอนที่อยู่ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ที่พุทธคยาค่ะเป็นเมืองสองแควคือน้ําเนี่ยแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเนี่ยพอตาารัสรู้ล้วก็คิดว่าแมมยากจริงๆธรรมานี้ก็เลยจิตน้อมไปเพื่อการไม่แสดงครับพอจิตน้อมไปเพื่อการไม่แสดงธรรมก็พระพรหมก็มานิมนต์ว่าเอ้ยไม่ได้แหมเป็นพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมอย่างนี้นะคก็เพื่อโปรดสัตว์โลกพระเจ้าก็อได้มาระลึกว่า อ๋อสัตย์ที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเอางี้เราก็แสดงธรรมละกันอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้จะแสดงธรรมละก็มาคิดว่าอจะแสดงอะไรดีล่ะใช่ไก็มาพิจรารณาเห็นว่าธรรมอันเอกนะธรรมอันเอกที่เรียกว่าเมื่อแสดงออกไปแล้วเนี่ยบุคคลที่จะรับฟังแล้วเนี่ยจะสามารถบรรลุซึ่ง ทำมันลึกซึ้งขึ้นไปได้ก็พิจารณาว่าทำอันเองเนี่ยคืออันเดียวเลยวิธีทางเดียวเลยนั่นคือสติปัฏฐานฐานที่ตั้งแห่งสติค <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นสามบริพรมก็มาอนุโมทนาลหลังจากนั้นก็คิดว่าเอ้ใครนาะจะมาเข้าใจทำคือสติปัฏฐานสี <Okay. S 1> นี้ได้ค <Okay. S 1> ก็ระลึกถึงอาจารย์ของพระองค์เองคือพุทกก ร, รามบุตรแล้วก็การกามโคษ แล้วก็สององค์นี้ก็ปรากฏว่าได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยมาระลึกถึงผู้ที่มีอุปการะแก่เรามาก่อนคือคนที่รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเนี่ยใครที่เคยมีอุปการะกับบุคคลนั้นมาก่อนเนี่ยออ่คนที่รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเนี่ยก็จะระลึกถึงบุคคลนั้นเสมอคืออย่างเมืางทีเราไปนั่งสมาธิที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอย่างผู้ริกรัที่มานั่งสมาธิที่วัดตาจอมไนโศเนี่ยทุกท่านเนี่ยจะคิดเหมือนกันเลยเวลานั่งสมาธิอยู่ แม่อยากให้แม่เรามาพ่อเรามาลูกเราก็ควรจะมาเพื่อนเราคนนี้แม่มันมีความทุกขอยากให้เขามาเพราะว่าเราลึกถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันมามีอุปการะซึ่งกันและกันมาก่อนคอุปราเราก็เหมือนกันพอรู้ตามเห็นทำแล้วก็จะต้องหาคนที่เขาเรียกว่าเป็นเท็จิโมเนียบเนียบมาเป็นผู้ที่จะมายืนยันการตรัสรู้ของพระองค์ได้อืก็เลยนึกถึงปัญจวัคขียะพิกษุทั้งห้าหลังจากที่อ พระพุทธเจาใช้คําว่าอยู่อยู่ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิกรมเนี่ยตามพอใจแล้วก็หลีกไปโดยทางางเมืองพราราณสีก็คือไปหาปัญจะวะัคคียทั้งห้านะพอไปหาพิสูจทั้งห้าแล้วเนี่ยเราพวกพิสูจทั้งห้าก็มาตั้งกติกากันคือคือที่ทําห้การถูกเนี่ยเป็นเมืองอยู่ชานเมืองพราราณสีอ่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นอ่าเป็นป่าที่พักอศาศัยแก่พวกเนื้อสายน เป็นพวกกว่างเนี่ยนะเป็นป่าที่ภิกษุทั้งห้าเนี่ยห้าองค์เนี่ยมาอยู่ร่วมกันอาศัยในการบําเพ็ญตบะของตัวเองก็มาหาภิกษุเหล่านี้โดยที่ไม่ได้ยังยังไม่ได้เข้าไปในเมืองพาราณสีค่ะนะยังคือพาราณสีดาวเทาเนี่ยพาราณสีตัวใจกลางเมืองอยู่อีกที่หนึ่งห่างไปประมาณสิบกิโลเมตรค่ ะ, ะก็มาที่ป่าแห่งนี้ก่อนก็คือเรียกว่าป่าอิสิปตนะมฤุกขทยวันค่ะพอไปหาแล้วเนี่ยเหล่าภิกษุปัญจวัคคีเนี่ยภิกษุห้าองค์เนี่ยก็ตั้งกติกากันว่า นี่ถ้าสมณะโคโด ม, มาน ะ, ะสนมณะโคโดมเนี่ยเป็นคนมากมากและสละความเปลี่ยนเวียนมาเพื่อความต่ำอย่างนั้นเลยเราอย่าว่ายอย่าลูกรับอย่ารับบาตรอย่ารับทีวันของเธอเป็นอันทานมีความคิดกันไหมอย่างนีค่ะแต่พอถึงแล้วเนี่ยด้วยความเคยชินหรือว่าด้วยบา ร, รมีของพระเจ้าก็แล้วแต่ละ่ะบางองค์ภิกษุบางองค์ในห้าองค์เนี่ยก็เข้าไปรับบาตรตัง้งแต่อาสนะบ้างอะไรต่างๆบ้างคือเป็นการอุปถามของคือคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยพอเจออาจารย์มามเนี่ย เป็นอริยปะเพณีว่าเราควรจะต้องลุกรับจัดหาชนะรับบากรับทีวารับย่ามของท่าน <S <S นั้นนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ดีของลูกศิษย์ก็คือคอยเข้าไปยืนอคอยรับใช้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของลูกศิษย์อยู่แล้วทีนี้อพอภิกษุปจัมบคีได้อา่าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ย <S <S พปประเจ้าก็เลยบอกอ่ะฟังทำแสดงทำให้ฟังอย่างนี้นะคเรากตัสรู้ละจะแสดงทำให้ฟังภิกษุทั้งห้าเาบอกไม่ฟังเพราะว่าพระเจ้านี่สมณโคดมเนีปป่ย ก็บําเพ็ญทุกรกิริยาแล้วไม่เห็นตรัสรู้เลยแล้วทำไมไปกินข้าวเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาแล้วจะตรัสรู้ได้่ <Huh. S 1> อก็พูดกันอยู่ถึงสามครั้งก็ไม่ยอมฟังจนพระเจ้าก็บอกว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาเนี่ยอตราคตเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะว่าเราได้ตรัสรู้แล้วมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะปัญจวัคคีย์ก็เลยคิดว่าเออจริงแฮะอ่านไหนสมณะโพนมตรัสรู้ว่าอะไร ล อ, ลองพูดมาสิไม่นอน่สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเอะฝ่ายนี้ก็พูดอย่างหนึ่งฝ่ายนี้ก็พูดอย่างหนึ่งแล้วเราจะเชื่อฝ่ายไหนล่ะใช่ไหมเราก็ต้องคอพิจารณาดูก่อนต้องฟังต้องฟังค่ะคนนี้พูดแบบนี้อีกคนหนึ่งพูดแบบหนี้อย่างพู้รู้จ้า บ, บอกว่านี่ฉันตรัสถารุละพิกษู ป, ปัญจาว่ากี้บอกไม่เชื่อคอา้าวลองฟังดูก่อนว่าเราจะพูดไปอย่างไงสิ่งเหล่านั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้คือวิธีการตามหาไว้ซึ่งความจริง คืออย่าพึงปักใจเชื่อว่าสิ่งนี้ทั้นั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ไหมคอยฟังดูก่อนว่าเขาจะว่าบ้าอะไรถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยหนึ่งไม่ผิดศีล น, นะไม่ได้ด่าว่าใครไม่ได้ตําหนิใครไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ไดพูดปิดในกามเออนี้ฟังเขาท่าหน่อยค่ะนะแล้วถ้าสองยังเป็นเรื่องของทางสายกลางไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งนะไม่สุดโต่งเรื่องทําตัวให้ลําบากไม่สุดโต่งเรื่องการเสพกามแต่เป็นกลางๆาง คือการเห็นสิ่งต่งางๆทั้งปรงโดยความเป็นอนันต์ต่างเออนี่ก็ฟังเขาท่าหน่อยนึงออกมามค่ะแล้วมาน้อมมาปฏิบัติตัวเองก็จะทํำมาผลที่มาให้แจ<ร>ง<ป>้งได้อย่างที่ได้กล่าวสอนพวกปัญจพักกีพระราชาย่างได้อธิบายถึงอาการในขณะนั้นเนี่ยเมื่อไปถึงแถวทำให้กระสถูกในเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นป่าที่เหล่าปัญจพักกีอาศัยอยู่เนี่ยคก็เป็นป่าที่เรียกว่ามีหมู่บ้านอยู่โดยรอบล่ะ อ่าสามองค์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอีกสององค์ไปบิณฑบาตอ่าสององค์ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอีกสามองค์ไปบิณฑบาตมาหาเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้อลักษณะ<ฆ>นี้พระุทธเจ้าบอกว่าอ่าพวกเธอจงเงี่ยบสงลงเราจะสอนอามาตะธรรมที่เราได้มารู้แล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกการะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์พันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งประมาทได้ค่ะอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากุลบุตรที่ไม่มีมารยาไม่มีความโอ้อวดเนี่ยเมื่อฟังฟังธรรมอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเนี่ยจะทําให้แจ้งซึ่งธรรมได้เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่แสดงธรรมให้บรรดาวะกีฟังใช่ไหมเราพิสุทธิ์ทั้งห้าฟัง เ, เดี๋ยวเนื้อความของสิ่งที่แสดงเนี่ยก็จะจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะก็ออ่ได้บอกบ้างเอ่อ ก็มีพระองค์หนึ่งก็คืออัญญาโกฏัญญาและโกฏัญญานี้ก็ได้เป็นบรรลุเป็นเอได้มีทิฐิอันเห็นชอบแล้วและก็คือเป็นโสดาบันหลังจากที่จบการเทศกันนี้นคือพระัญญาโกฏัญญาเนี่ยอได้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นๆทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเย่างแค่นี้นี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันอันหนึ่งอืคลักษณะนี้ ทีนี้ทำไมการเทศการแรกเนี่ยถึงมีความสำคัญคุณ อ, อุบาสิกาสันสนนว่ายอย่างไรค่ะก็อยากทราบไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังเหมือนกันค่ะเอ่อก็คือว่าคนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระประเจกดุธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะปะเจพุจเจ้าคือคืออา่อาคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองแต่ไม่ได้บอกสอนใครค่ะใช่ไหมก็คือบอกสอนเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่ไม่ได้บอกสอนเรื่องอริยสัจสี ทนี้พอได้มีการบอกสอนเรื่องอริยสัจสี่แล้วเนี่ยทําไมมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนเดียวจะหลุดพ้นสมมุติพระเจริพระุทธเจ้ า, าตรัสรู้เองแล้วตัวเองไปแล้วจบไปเสร็จเสร็จกิจแห่งประมาจันล้ะไม่ได้บอกสอนต่อเพราะว่าอ่าไม่ได้ทําสร้างบารมีมาเพื่อการนั้นในขณะที่สมณะโคโดมสร้างบารมีมาเพื่อการเป็นสมณะสมพพุทธเจ้าพอได้มีการบอกสอนไปเนี่ยมันสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะว่า โอ้โหเป็นธรรมะธรรมะที่ลึกซึ้งมากคการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้ชาติการเกิดเนี่ยจํากัดจํานวนชาติของการเกิดเนี่ยให้เหลือ น, น้อยเนี่ยโอ้มันยากมากเห็นไหมแทนที่เราจะต้องมาวิ่งวนวิ่งว น, วงวนอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยอ้าวคุณหยุดพอไม่มีชาติที่แปดเกิดชาติที่เจ็ดเป็นชาติสุดท้ายอย่างมากเจ็จชาต่ น, นี่คือโสดาบันเป็นผู้เจี่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีชาติที่แปด หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งพอฟังธรรมแล้วเนี่ยจะได้บรรลุเป็นสักทาคามีคือมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกแค่หนึ่งหรือสองชาติค <Okay. S 1> ก็เป็นสิ่งที่เลิศมากยิ่งเลิศไปกว่านั้นอีกคือเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไปไปอยูเ่เป็นเทวดาชั้นประ ม, มีการปรินิพานในภพนั้นเป็นธรรมดาหรือว่าสูงสุดเลยเป็นพระอรหันต์ปรินิพานในติตรธรรมเป็นกิจแห่งพรอาจรรย์เดี๋ยวนี้ค อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอริยะบุคคลอีเป็นเรื่องของจิตที่เรียกว่าอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระพุทธาพูดถึงว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมะภายในนี้เนี่ยมีนิพพานเป็นที่สุดยอดเรนั้นการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยเราทําปฏิบัติธรรมายศีลนเพื่อสมาธิปฏิบัติธรรมายสมาธิเพื่อให้รู้แจ้งตามที่เป็นจริงอันนั้นคือวิปสัสสนาพอเห็นสมาธิเห็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะสามารถทํานิพพานให้แจ้งได้ อันนั้นเป็นที่สุดของธรรมวพินัยนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อหาของการแสดงธรรมที่ปฐมเทศนาจะว่าไปควรจะให้เวลาสักนิดดีไหมคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะขออนุญาตให้ยกไปเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะลงรายละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้ก็อยากจะพูดให้เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองสักนิดหนึ่งจะได้ไดมีธรรมเข้าไปดูแลสถานการณ์ที่ เราคนไทยทุกคนเป็นห่วงกันไปหมดแหละนะคะแล้วก็เข้าใจถึงคนที่อยู่ในประเทศนี้ทั้งทุกฝ่ายนะคะคือทั้งฝ่ายที่ลำบากลาบนเดินทางกันมาชุมนุมกับฝ่ายที่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยะนะคะว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยจะอยู่กันอย่างไรโดยเอาธรรมเข้าไปจับแต่เนื่องจากเวลาสั้นมากท่านคะคงต้องให้ท่านพูดอย่างเร็วเลยะคะ่ะ อืมได้ไหมคะได้เอาแบบสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปว่าวันต่อไปก็ได้ค่ะใช่ใชอันดับแรกนะอันดับแรกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะทํำยังไงเราต้องมีศีลค่ะเนยะเราต้องมีศีลก่อนออันดับแรกคือเราไม่เราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าใครค่ะทำอใครเราไม่ทําเป็นผู้ที่มีความเอ็นดูกรุณาหวังความเกื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย ค่ะให้ให้เป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์หมายความถึงศีลแค่ข้อเดียวข้อแรกนี้ของศีลห้าหรือว่าทุกข้อเลยหรือว่าศีลตรงไหนอีกคะศีลทั้งห้าข้อนั่นแหละศีลทั้งห้านะคะข้อสองเราไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ขัดต่อโลกนสิ่งที่เราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้สิ่งที่เรารู้เราก็บอกว่ารู้แค่นี้สองข้อหลักข้อที่สามเราไม่ประพฤติผิดในกามคือในประเภทไหนหญิงที่มีสามีแล้วหญิงที่อ มีพ่อแม่บิดามารดาทำรักษาต่างๆเร า, าไม่ประพฤติร่วงเกินในยิงประเภทนั้นค่ะแล้วเอาแค่นี้พอให้ทำศีลให้ถูกใครจะว่าไงเราจะต่อสู้เพื่ออะไรเอาศีลไว้ก่อนคือ <นะ S 2> ถึงแม้ว่าประเด็นในการต่อสู้มันอาจจะดูเหมือ น, นว่าไม่เกี่ยวกับศีลน่ะยกเว้นข้อแรกอาจจะมองเห็นหน่อยข้อที่สองอาจจะพอมองเห็นไอ้ข้อที่สามเนี่ยต่อสู้แบบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการได้ยังไงอ่าก็อย่าทำ อย่าทำถ้าจะมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องพวกนั้นอย่าทำถ้าจะให้ยิ่งดีเข้าไปอีกเวลาเหลือน้อยเนี่ยให้ยิ่งดีเข้าไปอีกนะก็อย่าด่าใครคเพราะว่าการด่านี่เป็นวาจาหยาบจะด่าด้วยคาสุภาพก็เป็นวาจาหยาบนะ<ร>คือเราไม่ด่าเขาแล้วเขาด่าเราทํำยังไงคะให้ตอบกลับเป็นสีเท่าด้วยความอดทนด้วยเมตตาสีด้วยความรักใครเอ็นดูด้วยความไม่เบียดเบียนค่ะอดทนอ่าอดทนไว้ค่ะคนอดทนหาได้ยากทําสิ่งที่คุณอื่นทําได้ยากนะอดทนในสิ่งที่อ ด, อดทนได้ยาก แล้วต้องมีเมตตาจิตใช่รักใครเอ็นดูใช่และไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนได้ไหมคะใช่ใช่เอาแค่นี้ก่อนเพราะเวลาน้อยมากคือถ้าอาจารย์บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรเสียจะต่อสู้กันยังไงเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มีศีลเป็นตัวตั้งเราอย่าทำผิดศีลแม้กระทั่งข้อประพฤติผิดในการนี้ก็ไม่ให้ทำนะคะแล้วถ้าจะยิ่งดีเนี่ยอย่าใช้ถ้อยคารุนแรงด่ากันแต่ถ้าคนอื่นเขาด่า ต้องให้อดทนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดู<ช>พอแล้ว<ม>ใช่ไหมคะไม่เบียดเปลี่ยนไม่เบียดเปลี่ยนไม่เบียดเปียเยเป่ย น, ยยนการไม่เบียดเบียนหมายถึงการไม่ทําให้ผู้อื่นลำบากถูกไหมคะถูกต้องนะคะงั้นวันนี้เวลาจำกัดเราแต่ยังไงก็ยังดีใจนะคะที่อย่าง ให้ถ้าอาจารย์ได้เผยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านติดเอาไว้เป็นอาวุธใช้ในยามสถานการณ์แบบนี้กันผ่านรายการสรนสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ f m ฟเอครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพรุ่งนี้ยังมีทั้งเรื่องหลักที่เราต่อเนื่องกันคือการไปสังเวชนียสถานอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องที่นั่นและอธิบายกับบรรยากาศที่จะเอาธรรมไปกล่อมเกล่า พวกเราในยามนี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้ต้องนมัส ก, การขอบคุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุณโนไว้ในโอกาสนี้นะคะ<ด>แล้วก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยพุทธวัตรสวัสดีค่ะ